วันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปในพูดกันมาในเรื่องของนิวรณ์ทั้งห้าประการซึ่งเป็นกิเลสประเภทกลุ่มรุ่มใจที่ต้องอาศัยการปฏิบัติสมถกรรมฐานใช้กำลังของฌานหรือสมาธิสงบ นิวรณ์เราดันลงไปทางการสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการจึงเป็นเป้าประสงค์ของการเจริญสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานท่านจึงให้นิยามไปรว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งนิวรณ์ทั้งหประการลงไปได้การปฏิบัติอย่างนั้นเปรียกว่า สมถกรรมฐา น, ฐานซึ่งก็หมายความว่าโดยรูปแบบแล้วก็ไม่มีรูปแบบว่าจะต้องใช้วิธีอย่างไรโดยเฉพาะแต่ว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าในวรรคห้าประการสามารถสงบลงไปได้การปฏิบัติเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าสมถะกรรมฐาน เพราะว่าสมถกรรมฐานแปลว่าการงานที่บุคคลจะพึงทําทางใจก่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจสมถะท่านจึงแปลว่าสงบนิวรณ์ที่กล่าวมาโดยลําดับนั้ น, นสัสเกตว่านันที่จึงก็ไม่อื่นไปจากโลกกติลงเพียงแต่เป็นเรื่องของความคิดคืออยู่ในระดับความคิด ไม่ออกไปเป็นพฤติกรรมคือไม่ถึงกะระทำไม่ถึงกระพูดออกไปด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้นแต่ถ้าก็ออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องของศรรีลคือไม่ใช่เรื่องของสมาธิแสดงว่าปริมาณกิเลสเหล่านั้นมีกําลังสูงขึ้นลักษณะอาการที่ปรากฏต่อจิตมันมีความุแรงจนจิตเองก็คูดไว้ไม่ได้ เอาคาทต่างกายกับธรรมชาที่ท่านเรียกว่าเป็นวิติกมามะคือกิเลส ท, ที่ล้นออกมาข้างนอกในชั้นนี้เป็นเรื่องของความคิดกามมิฉาญก็คือกิเลสประเภทคว้าเข้ามาในกิเลสประเภทโลภะเกิดขึ้นจากจิตของบุคคลที่เป็นกำหนดหมายให้ความสำคัญแก่อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาสัมผัส กำหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยความรักใคร่ด้วยความปรารถนาด้วยความพอใจจิตใจก็จะติวนึกตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยอาํานาจของความใคร่ความปรารถนาความพอใจนั้นแม้รูปเหล่านั้นได้ผ่านไปแล้วในอดีตหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มาถึงแต่ใจก็ยังย้อนรำลึกถึงคร่ําครวญถึงประสานหา ดยแรงปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจอันที่จริงสิ่งที่เป็นเรื่องอดีตก็เป็นเรื่องอัณฑิตร่อนอนาคตก็เป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงอดีตก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตทางการที่จิตใจไปไขว่คว้าเหนียวนึกจึดนึกตัวย้อนนึกถึ ง, ถง อารมณ์ที่เป็นอดีตขณะนนั้นเป็นการพร่าพรานเวลาของตัวเองให้สูญเรปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจริงชีวิตของบุคคลอยู่ที่ปัจจุบันจะทําอะไรจะได้หรือจะเสียมันก็อยู่ที่ขณะปัจจุบันปัจจุบันนั้นเมื่อมาถึงก็ต้องรีบใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่ใช้ปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตแล้วก็ไหลเลื่อนกันมาโดยําดับแบบนี้ ว่าแนวสมถะกรรมฐา น, น, ฐานถึงมุ่งที่จะสงบความคิดในแนวนั้นเพื่อจิตระลึอกอยู่ในส่วนของปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาพุโทโธหรือว่าดูที่จุดซึ่งโล ก, กระทบหรือจะดูในส่วนอื่นๆก็ตามม็สรุปว่าให้อยู่กับอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆกิเลสประเภทพยาบาทมันก็คือกิเลสประเภทโทสะ ในความพยาบาทนั้นเป็นตะกรอนใจเป็นสนิมใจที่เก็บกฎความไม่พอใจเอาไว้ในอดีตเรื่องทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตในขณะที่ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันนั้นแต่ว่าจิตใจยังย้อนรำลึกถึงยังโวยรำลึกถึงถั้งความอาฆาตแค้นในอดีตซึ่งบางทีแค้นไปก็เท่านั้นเองก็จะทาอะไรก็ไม่ได้เลย คล้ายๆก็ไปโกรธแค้นพวกพม่าในสมัยเผากรุงแค่น้นไปก็เท่านั้นก็ตายกันหมดแล้วเราก็ล่วงเลยผ่านเวลามาเป็นจำนวนมากแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจที่กลายเป็นพยาบาทจึงเป็นอาการของโทสะนั้นแสดงเหตุว่ามีโมหะคือความหลงปิดบังสติปัญญาเหตุผลเอาไว้ ลักษณะของทีนามิธานั้นเป็นกิเลสประเภทผสมโดยขึ้นอยู่กับอาการที่ปรากฏในขณะนั้นท่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของโมฆะแต่บางครั้งเราก็เห็นว่ามัก็เป็นอาการของโลภะแต่บางทีก็ใกล้ๆไปทางโทสะถึงก็อยู่กับอาการของทีนามิธาที่ปรากฏในขณะนั้น อุทจกักขุกุจจะเป็นความฟุ้งซ่านสัสสายไปของจิตแสดงว่าจิตไม่สามารถซึม묵 อ, อ, อยู่ได้ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่าดอย่างหนกได้จะทำงานจะอ่านหนังสือแม้แต่จ ะ, จะนอนตลอดถึงการเจริญกรรมฐานเป็นต้นในขณะที่เราต้องทำอย่างหนึ่งแต่ใจแล่นไปสู่อีกอย่างหนึ่งหรืออีกหลายๆอย่าง คามสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ประสิทธิภาพของงานที่พึงประสงค์ในกรณีนั้นนั้ น, น, นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็ส่งสอนให้มองเห็นเป็นตัวอย่างเป็นอุ ป, ปมาโดยนัยะต่างๆเช่นในแง่ของสภาพจิตตรงสอนมองเห็นว่กากรรมฉันนั้นเหมือนกับน้ําที่มีเจือด้วยสีหลายๆสีพยาบาทนั้นเปรียบเหมือนกับน้ําร้อน ทีน้ำพิธานั้นเหมือนกับ น, น้ําที่ถูกปกคลุมด้วยจอกแหน่ต่างๆอุตจักรุกุจจานั้นเหมือนกับน้ําขุนซึ่งน้ําทั้งสี่ประเภทมีปัญหาทั้งนั้นสําหรับคนที่จะส่องดูเงาหน้าของตัวเองคำว่าส่องดูเงาหน้านั้นเป็นลักษณะของปัญญาสระชาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าคือมุ่งที่การรู้จักตัวเอง เพราะการเรียนรู้จากตัวเองการศัสรู้ของพระเจ้าเองก็รู้จากพระองค์เองทุกข์ก็อยู่ภายในพระองค์สมุทัยก็อยู่ภายในพระองค์นิโรธก็อยู่ภายในพระองค์มครรคเองก็อยู่ภายในพระองค์ไม่ได้เรียนมาจากที่อื่นคำว่าสองดวงเงาหน้าจึงหมายถึงการพยายามเรียนรู้ตัวเองให้รู้จักตัวเองโดยสภาพที่จริง ที่เป็นจริงในแง่ในมุมต่างๆเ่อจะถ่ายถอนผลคลายความยึดมั่นถึกมัน่นซึ่งท่านจะเห็นว่ากิเลส ท, ที่ถ่ายถอนออกไปนั้นเป็นกิเลส ท, ที่ปรารบตนซึ่งมืก็สืบเนื่องมาจากความเข้าใจว่าตนนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันจะดารงอยู่ตลอดไปหรือเรียกง่ายๆว่าชั่วฟ้า น, นิรันดร ถือว่าแน่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่คำฟ้าในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนสามารถส่องดูเงาของตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่เราไปเจอเข้าในช่วงหนึ่งในโอกาสหนึ่งฉะนั้นเอง แต่ใช้จิตใจของคนมีโมหะมีโลภะและพร้อมที่จะมีโทสะเพราะงั้นแม้แต่เราไปนั่งพักในที่ใดที่หนึ่งชั่วขณะพอยึดมั่นถึอมั่นว่าเป็นที่นั่งของเรามันก็เกิดขึ้นเวลาใครมานั่งใกล้มานั่งเบียดหรือมาขอให้เลื่อนเราจะเกิดโทสะเพราะแรงพัฒใจขนาดนั้นไปยึดมั่นว่าเป็นของเรา แล้วถามนในแง่ความจริงในแง่ความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้อาศัยนั่งระยะหนึ่งเท่านั้นเองในช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเพราะสิ่งนั้นหลายที่ใจเข้าไปยึดครองเข้าไปถือครองว่าเป็นของเราจึงเป็นอาการของโลภะที่คุ้มหอด้วยโมฆะคนจึงต้องต้องต่อสู้เพื่อยื้อแย่งของเราเดือดร้อนเพราะของเราแล้วก็เศร้าโศกเพราะของเรา กสึกสงครามกันพราะของเรานั่นก็คือเป็นอาการของบุพเะของโทสะสองโมหะเพราะการถ้าบุคคลสามารถส่องให้เห็นความจริงได้ก็จะเกิดปัญญาที่เห็นชอบขึ้นมาที่พระเจ้าทรงใช้มากเป็นพิเศษว่าสมบปัญญาคือปัญญาที่เห็นชอบเกิดขึ้น โ so ดยเน้นว่าข้อนี้เธอทั้งหลายพึ่งเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปมันก็สักแต่รูปเวทนาก็สักเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณแต่คำว่าสักว่าเนี่ยก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนขึ้นมาอาจจะรูปก็สักแต่รูปเสียงก็สักแต่วเสียงกลิ่นก็สักแต่กลิ่นรสก็สักแต่วรสสัมผัสก็สักแต่สัมผัส อรมณ์ก็สักตวอัอรมณหรือว่าตาหูจมูกนี่กายใจก็อาจจะตาก็สักตวะวัตาหูก็สักตวัหูเป็นต้นคือแล้วแต่จะหยิบอะไรเข้นมาเพราะอะไรเพราะของเหล่านั้นแหละเราไปยึดว่าเป็นของเราแล้วเดือดร้อนเพราะใจเข้าเป็นยึดทะเลาะกันเพราะใจเข้าไปยึดเศร้าโศกเพราะใจเข้าไปยึดจนถึงก็เป็นทุกข์ ตั้งกายตั้งใจเพราะอาศัยใจสิครับไปจุ๋ยพันธันจริงอุปมาเป็ น, นลักษณะส่องลวงเงาหน้าพันสองก็คือเป็นการใช้ปัญญาเพิ่มปูนขึ้นไปในจิตใจของตัวเองแต่การส่องลวงเงาหน้านั้นให้ชัดเจนก็กระจกจะต้องไม่ฟ้าไม่ขุดไม่หมัวในกรณีนี้ต้องยกตัวอย่างการส่องลูงเงาห น, น้าในในน้า ซึ่งตามปกติถ้าน้ำนิ่งๆน้ำใสดีมันก็เห็นชัดเหมือนกันแต่ถ้าน้ำมีสีอยู่มากมันก็เห็นไม่ชัดพันธุสาย ช, าชนทั้งหลายลองสังเกตว่าในขณนะดใดก็ตามที่จิตใจเราถูกความโลภอยากได้ครอบงำอยู่เหตุผลสติปัญญาภูมิธรรม ที่จะใช้ในกรณีนั้นนั้นจะถูกเบี่ยงเบนโดยอำนาจของฉันทากติคือความลำเอียงเพราะความรักความผูกพันตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญญานั้นไม่กระจ่งางพอถูกค้ามัวของความโลภความอยากได้ปิดบังเอาไว้พระลักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกระนามที่เจอติ่สี ยากที่จะเห็นเงาหน้าได้สวยสวยงามชัดเจนถูกต้องตามที่มันเป็นจริงพระรูญจึงทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าโลโภโอธรรมานังปริปันโถ ค, ความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายโลภนิดเดียวแต่มันจะเหมือนกับไฟเพราะกิเลสนะเหมือนกับไฟพร้อมที่จะรับเชื้อใหม่แล้วก็ลุกลามไหม้ไปได้เรื่อย การลบบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเพียงคนเดียวแต่สามารถขยายผลออกไปได้มากมายสึกสงครามแย่งชิงพื้นที่สึกสงครามที่แย่งบุคคลอย่างเรื่องรามเกียรติสึกสงครามที่แย่งความเป็นใหจตําแหน่งหนะ้าที่การงานต่างๆเป็นต้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของความโลบคนโลบ ก, ก็มีเพียงคนสองคน เป็นสามารถน้มนาจิตใจของบุคคลอื่นให้โลภตามตัวเองไปรือโลภแทนตัวต่อสู้แทนตัวแล้วก็ตายแทนตัวบุคคลเหล่านั้นก็ตายไปแล้วแต่ว่าคนที่โลภ ก, ก็ได้รับการตอบสนองความโลภตัวเองพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำเป็นอันตรายเป็นอะไรายแห่งความดีทั้งหลา ย, ยาทำทั้งไม่ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรก็ตามถ้ายัางโลภอยู่แม้แต่สมาธินี่ สมาธิที่มีการประพฤติปฏิบัติจุดมุ่งหมายของสมาธิจริงๆนั้นมุ่งแก้ที่ตัวโลภโดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเอกะ ก, ะกะตาหรือตัวสมาธิเป็นปฏิบัติต่อการมชันทะนิวรณหมายความว่าองค์ธรรมสองประการนี้จะเกิดร่วมกันในจิตใครก็ตามในขณะเดียวกันไม่ได้ ในขณะใดที่จิตยังมีกามฉันอยู่ในขณะนั้นความส ง, งบก็เกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้แต่ช่วงใดขณะใ ด, ดที่จิตส ง, งบกามฉันลงไปได้ในช่วงนั้นในขณะนั้นความส ง, งบจิตก็เกิดขึ้นมาได้นี่คือลักษณะ ท, ที่จงกันข้ามจะปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันขณะเดียวกันไม่ได้สิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งก็จะหายไป แต่เมื่ออีกสิ่งหนึ่งปรากฏอีกสิ่งหนึ่งก็จะต้องหายไปเช่นเดียวกันทีนี้ลักษณะของพยาบาทที่ท่านอุปมาเห็นว่ า, าเหมือนกระ น, น้ำที่กวลับบงเดือดซึ่งเราก็มองไม่ชัดเช่นเดียวกันความโกรธจึงเป็นโทษในลักษณะต่างๆไม่เห็นอัดไม่เห็นทรรมไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลให้ลองสังเกตว่า ลักษณะของความโกรธมันก็มีความโลภอยู่ในดัวความโลภเองมันก็มีความโกรธแฝงอยู่เจ้าบุคคลโกรธคนใดคนหนึ่งจะโกรธเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อยากจะให้คนโกรธร่วมกับตัวเองลักษณะเหล่านั้นก็เป็นอาการของความโลภ เพใครก็ตามที่ไปสนับสนุนคนโกรธแล้วโดยโกรธคนที่เขาโกรธด้วยกันก็จะพอใจกับบุคคลเหล่านั้นคือเป็นพวกเดียวกันในสมุทตปัจจุบันชากัามพานวลรวกกันในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครไปให้เหตุผลให้สติปัญญาติมเตือนว่ากล่าวเขาก็าจะเกิดเป็นโทษสะเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าคนนั้นเถียงไปเถี ย, ง ม, ยงมาเกิดยอมสยบ ผู้ดูมชื่อถือตามเขาเห็นตามเขาไอโทสะมันก็หายก็กลายเป็นโลภะคือมีความพอใจยินดีในบุคคลเหล่านั้นดนั้นเราจะเห็นว่าเหตุผลเนี่ยมันไม่มีแต่บ้านเอียงไปเพราะโลภชันทากติหรือกับโทสะกติใจของบุคคลคนนั้นก็เอียงเอียงกลับไปกลับมาอยู่ด้วยความชอบกับความชังตามลักษณะการแสดงออกของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตากว่าเขามีความรู้สึกเป็นพวกเดียกวกับเขาก็เกิดความชอบเป็นฉันถากติการชอบนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรเพียงแต่ว่ามีความเห็นตรงกับเขาเท่านั้นทีการกไม่ชอบก็ไม่มีเหตุผลอะไรเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความเห็นไม่ตรงกับตนเท่านั้ น, นลักษณะเหล่า re นี้จึงเหมือนกับน้ําที่มันเดือดพร่นไม่เห็นเหตุเห็นผลเหมือนก็มองเห็นเงาหน้าไม่ชัดเจนหรือว่าเห็นเงาหน้าที่มันเต้นไป เ, เดียวกับ น, น้ําที่มันเดือดลักษณะของจีนมิธาที่อุบมาเหมือนกับ น, น้ําที่มีจอกแหนอยู่เต็มในสะหรือในปอหรือในลำาอะไรบึงอะไรก็ตามที่มัมีจอกแหนะเห็นว่าตามปกติเราก็ไม่เห็นน้ำเพราะจอกแหนมันปิดบังเอาไว้แต่คนที่ต้องการจะส่งรูปเงาหน้าของตัวเองก็ต้องแหวกจอกแหนะหลดนั้น ออกไปแล้วก็มองดูเงาหน้าของตัวเองแต่เนื่องจากน้าค่อนข้างขุนแล้วก็จอกแหนก็มีมากเพราะงั้นพอแวกไปได้หน่อยเดียวจอกแหนมันก็ย้อนกลับเข้ามาการเห็นจึงไม่ชัดเพราะจิตใจของคนเราแต่ละคนในช่วงใดก็ตามขนาดใดก็ตามที่มีความง่วงครบงาอยู่สงกอยู่มีความเคลิบเคลิ้มมีความหลับ บังตื่นบ้างหรยอว่า เ, าเราตื่นตื่นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเคยจะเอาดีไม่เคยได้จะฟังจะอ่านหรือจะปฏิบัติภารกิจการงานมันจะมีลักษณะขยักขยจแล้วแม้แต่ในช่วงที่ตื่นก็ตื่นไม่เต็มร้อเตื่นในลักษณะที่พร้อมจะหลับ คุณภาพจิตอย่างนี้มันก็เหมือนกับน้ําที่เสียไปจอดแทนคือมองอะไรก็ชัดเจนไม่ได้ประเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วเหมือนกคนที่ถูกความง่วงครอบงมเนี่ยถึงจุดหนึ่งนี่ความง่วงก่กลับมาเราก็เอาเขาไม่ทันอุตจัยกุจ่านอุปมาเหมือนกับน้ําขุนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือน้ําขุนเนี่ยก็ขุนอ่ะคือมองอะไรไม่ชัด ใจิตใจที่มีความฟุง้งซ่านไม่อย่างลงมั่นคงในจุดใดจุดหนึ่งเมื่อคนยืนไม่มั่นคงนั่งไม่มั่นคงในหกล้มได้ง่า ย, อ, ยาอาจจะหกลกรเมนตีลังกาหายไปเลยก็ได้เพราะลักษณะจิตที่มีความฟุง้งซ่านซัดสายแล่นไปในอารมณ์ต่างๆไม่รู้อะไรคือจับจดุดเป็นลักษณะอารมณ์จับจดุด ภูมิธรรมตติปัญญาเหตุผลเขาไม่สามารถจังลงสู่จิตได้และก็ดำลงอยู่ได้นานเพราะว่าจิตใจนั้นฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆแมแ้จะคิดธรรมะยกตัวอย่างจะคิดธรรมะเป็นการเพิ่มบัญญาัติจะคิดแต่นิดเดียวแล้วก็จิตมันก็แล่นไปเรื่องอื่นไปแล้วหรือจะมีการวิเคราะห์วิจัยตรวจสอบสิ่งทั้งหลายเพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะตรวจสอบไปหน่อยเดียวจิตใจมันก็วิ่งไปอื่นไปแล้วตลอดถึงจะนั่งสมาธิ เริ่มนั่งเริ่มทำความสงบเริ่มภาวนาพุทโธหรือเริ่มดูลมหายใจเข้าออกหรือยดูจุดลมกระทบหรือว่าดูตามลมอะไรก็นดมันก็ทําได้นิดหน่อยแล้วก็จิตมันก็วิ่งไปซะด้กว่าจะดึงกลับมาได้บางทีก็ดึงกันตลอดจนนั่งเลิกเลิกกลับมาฐานก็ดึงกลับมาไม่ได้นี่คือลักษณะของจิตที่ทรงอุปมาเห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าเราดูจิตเนี่ยเราดูไม่เคยเห็น แต่น้อมนึกเอาในลักษณะนี้เพราะอะไรเพราะน้ําในลักษณะต่างๆนั้นทุกคนเห็นน้ําที่มีสีต่างๆเจืออยู่ทุกคนก็เคยเห็นน้ําเดือดพล่านทุกคนก็เคยเห็นน้ําที่มีจอกแหนปิดบังเอาไว้ก็เคยเห็นน้ําที่มีความขุ่นทุกคนก็เคยเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาดูที่จิตเพราะถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้คุณลักษณะของความเป็นพุท ธ, ธะที่เรียกว่ารู้ ซึ่งเป็นอาการก็ปัญญาโดยตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับความมืดยังเต็มอยู่เนี่ยแสงสว่างก็ปรากฏไม่ได้แต่ถ้าแสงสว่างปรากฏความมืดในจุดนั้นก็ต้องหายไปอีปกอการหนึ่งทรงอุปมาในแนวที่เป็นอาการไม่สงบของจิตที่มีความยาวนานหมายความว่า อาการคอนิวอร์เมลาก็เกิดเนี่ยก่อนจะเกิดมันก็คล้ายๆกับเราจะเครื่อนหลับท่านจะเห็นว่าเราจะเสียการทรงตัวมาตั้งแต่ก่อนที่จะหลับเพราะฉะนั้นก า, การเกิดกิเลสมันก็มีแนวนั้นคือก่อนจะเกิดอาการทางจิตมันก็ไม่เคยจะปกติแล้วเกิดไปแล้วแม้แต่จางหายไปแล้วส่วนหนึ่งจะทิ้งรอยของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้ระยะหนึ่ง คือไม่ได้จากไปพูดพลาดแล้วก็หายไปได้แต่ก็จะมีตะกรอนใจมีสนิมใจมีสิ่งที่ตกค้างอยู่ภายในใจซึ่งทรงสอนในแนวให้หินอีกโดยในย่หนึ่งที่ว่ากรารมฉชันที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับคนซึ่งตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเจ้าหนี้เขาทวงยึกย ก, ก็กต้องชดใช้ก็เลย จิตใจจะส ง, งบลงไปไม่ได้ฉนั้นลองสังเกตว่าคนที่อ่อนไหวไปด้วยอำนาจของความรักความชอบใจในรูปในถึงในกินในรถในเด็ก น, น้องนองแข่งต่างๆที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนจักชวนกันอยู่มากนั้นถ้าเราจะแล่นไปสู่อารมณ์เหล่านั้นตามคําเรียกร้องโฆษณาเชิญชวนชักชวนกบุคคลทั้งหลายแล้วก็คงยากที่จะทําใจให้ส ง, ง, งบเพราะสิ่งเหล่านี้มีมากเลยเกิดมากจนไม่รู้จะไปทําอะไร เพราะอะไรพระเอวก็จริงคนเราผมก็กินได้ทีละคำนั่งได้เท่าที่เราจะนั่งนอนได้เท่าที่ร่างกายจะปิดมิ ด, มดยืนได้เท่าที่เท้าจะเหยียบลงไปได้ตกลงว่าเอาก็จริงการบริโภคใช้สอยการหของชีวิตขอเราก็นิดเดียวนะฮะไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าใจประกาศสัญยากมากตอบสนองจนไม่รู้ว่าทําอะไร เพราะว่ากิเลสนั้นทุกข้อเนี่ยมันมาจากโมหะมันมาจากอวิชชาอาการในขณะนั้นจะเป็นโลภะจะเป็นโทสะจะเป็นริสยาจะเป็นการแข่งดีก็ตามแต่ว่าลึกๆจริงๆเนี่ยมันมาจากอวิชชากว่ามไม่รู้เพราะฉะอาการของกิเลสในอีกระดับหนึ่งคือขึ้นมาสูงระดับหนึ่งเด่ท่านเรียกว่าเป็นสัสตทิชิกับเป็นอุเฉตทิชิ คือมองเห็นคล้ายๆกับเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนไม่แปรผันใจก็กรสันอยากได้อยากมีอยากเป็นคือมองลึกๆคล้ายๆกับตัวเขาจะอยู่บริบทคล้าสอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านี้ก็จะอยู่ได้ตลอดไปก็จะใหญ่ช่วยนิรันดร์อนไร ล, ลักษณะลักษณะเหล่านั้นนั่นคือในศาสนตที่ แล้วคิดว่าเข้าของเงินทองต่างๆวัตถุกรรมทั้งหลายที่เขาชุดครองที่เขาครองอีกเนี่ยมันก็อยู่กับเขาตลอดไปซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นที่จริงเป็นภาพลวงตาทั้งหมดมันไม่มีใครที่ไหนจะเป็นเช่นนั้นได้แม้พระเจ้าจากกักรพรรดิหรือแม้แต่พระมาทพระพุทธเ จ, จ้าก็ถึงจุดหนึ่งจะต้องนิผ่านจะต้องสวรรคตไปแต่เพราะอะไรเพราะว่าใจมัน มีโมหะปิดบังเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มองในมุมนี้แล้วก็หันไป ม, มองเฉพาะมุมอื่นก็ทําให้เกิดการข้องติดอยู่ในอารมณ์โลดนั้นและในที่สุดก็กสัญญาเกิดแล่นไปชดใช้อารมณ์อยู่เรื่อยไปกิเลสเพศโทสะทงบุปไปเรียว่าเหมือนโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียดแทงร่างกายของบุคคลเหล่านั้นจะมากน้อยรุนแรงแสเพดยังไงก็ตาม คือคนที่จะปวดจริงๆก็คือคนปว่วยแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกปวดนะฮะแต่เป็นอุปท า, านเฉยๆเช่นว่าลูกปว่วยแม่ร้องให้หรือว่าแม่ปว่วยลูกร้องให้ลูกเจ็บปวดแม่ทำหน้านิ้วคิ้วก็ะมวดลูกก็หน้านิ้วคิ้วก็หมวดไอ้ที่จริงเราอุปาทานทเฉยๆทำไมเจ็บจริงนะคนอื่นเป็นคนเจ็บ ียงที่ว่าใจไปยึดถือว่าแม่ของเราลูกของเราสามีปัญญาของเรานะเราก็เจ็บตามไปด้วยแต่คนเจ็บจริงๆก็คือคนนั้นเพราะไอ้นคนที่มีความอาฆาตไปปา ด, ปาดต้องการโตรดตอบแก้แค้นทำลายล้ามมันก็เป็นเจนั้นไอ้คนที่เราอาฆาตคนต้องการจะฆ่าจะเบียดเบียนจะแก้แค้นอยู่ตรงไหนอย่างไงก็อนอนหลับ อยูที่ใดเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเองนั้นแน่นอนคือนอนไม่หลับแล้วก็สอบกระส่าจะถึงก็งุ่นงัานจิตจะแก้แค้นโตตอบโดยวิธีการกต่างๆเพราะฉั้นแนวนี้มันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเหมือนก็คนป่วยที่ถูกรคภัยค่าเจ็บเสียดแทงด้วยตัวเองหมอพยาบาลญาติพี่น้องอยู่ใกล้เคียงก็ช่วยอะไรไม่ได้โรคมาเสียดแทงขนาดไหนเาก็รับด้วยตัวขเขาเอง กิเลสประเภททีนมิทะนั้นตรงอุปมาเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นสูญเสียความเป็นตัวตัวเองคนเราที่ถูกความง่วงเหงาห่อนอนซึ่งซึม ง, ง้อยเหงาหดหูกเครื่เคล่มจุดชื่อชาเย็นครอบงําในจุดใดก็าตามเราจะพบว่าเราก็หมดสิ้นความเป็นตัวเราคือจะถูกควบคุมสั่งการด้วยความโลภด้วยความง่วงที่ัำเกิดขึ้นในขนาดนั้น จจะพูดจะสอนจะเจริญกรรมฐานจะทํางานจะปฏิบัติภาระหน้าที่หรือหังชีเช่นว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกนั้นโอกาสที่จะเป็นอันตรายยิ่งง่ายก็ไปใหญ่นั้นก็สอนให้มองเห็นโทษส่วนอุตจาร ก, กุจจานั้นให้มองเห็นเมื่อคนติดคุกก็ไม่อิสระเหมือนกันอาจจะคิดท่านออกไปเรื่อยๆออกไปนอกคุกออกไปอะไรแล้วจริงเราก็อยู่ในคุก ทำไมจึงต้องอาศัยอุปมาเทียบเขียงให้ดูในสิ่งที่เป็นรูปธรรม่างท่านที่จริงๆแล้วกิเลสเหล่านี้เป็นนามธรรมเพราะสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วเมื่อคนเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วมันก็ง่ายที่จะอธิบายถึงที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือง่ายต่อการที่จะตรวจสอบดูสภาพจิตของตัวเองซึ่ง ถูกกลุ่ม ร, มรุมด้วยนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็มองเห็นโทษของนิวรณ์เหล่านั้นให้ไปจักแจ้งเพราะการปฏิบัติกรรมฐานที่สําคัญนั้นจะต้องมองเห็นโทษของนิวรณ์ไปจักแจ้งแก่ใจใคล้ายกับมองเห็นอสราพิษมองเห็นสัตว์ไร้มองเห็นโรคไร้นะแล้วก็พยายามที่จะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นให้ห่างไกลเอาตินี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป